สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันตีมะอาอูดุบิลลาฮิมินัลชัอตานราจีมบิสมิลลาฮิรห์มานราฮิม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن ت ب ع ه م بإحسان إلى يوم الدين รับชั่วให้ซ ق و ل ه a ja la, ana, l, l h ah an u m a h و أنت ت ج ع ل ز ن ا إذا ش ت س ه ل ربنا ظلمنا أنفسنا و ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من ا ل ا س ر ي ن ربنا لا ت ز ل و بنا بعد إ ذ ه ي ت ن ا وهب لنا م ل ك ر ح م ن ك ن ت وهاب رضيت بالله رب و ب ا ل س ل ا م دينا و محمد صلى الله عليه وسلم نب ีอ ah. um ัลลอฮ์มะอินน้าหนาอุบุบิค์ ن و ะะะะะะะะะะะะะะะ ا ะ ا ะะะะะะะะะ ا ะะ ا ل ะ س ل ะะ و ะ ل ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ي ن ะะะะะะะะะะะะะะะะ ا ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลักษมห์พระหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุลกุรอานในวันนี้ครับเรายังอยู่กับการอธิบายในส่วนของสูรอัตตอริกนะครับสุรอัตตอริกเหมือนกับที่ท่านพี่น้องนะครับทุกทุกท่านได้รับทราบนะครับว่า ในสุร้อนนี้เป็นสุร้อนที่นะครับลำดับที่8 6นะครับซึ่งอยู่ในอันพุรานของอลัลลอหฺซุบะฮานะฮุอัตตาลาแล้วก็เป็นสุร้อนที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นมักกิยาตามนะครับความเห็นของบรรดาปวงป่ามุฟสิรินทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องนะครับให้ได้รู้และให้ได้เข้าใจนะครับว่า สิ่งหนึ่งที่อัลลอสุบหฮานะฮวตาลาได้นะครับอธิบายเอาไว้นะครับในอายะ์อันกราดองค์การนี้เพื่อที่จะเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าอาการที่พระองค์อัลลอสุบหฮานะฮวตาลาได้ทรง สัญญาได้ทรงสาบานนะครับกับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างมานี่เป็นเรื่องที่พระองค์สามารถกระทําได้นะครับตลอดเวลาตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วกนะ็พูดถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้สรรสร้างสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งนั่นก็คือท้องฟ้าที่มีดวงดาวพราวนภาอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เปล่งประกายแสงเ จ, จิดจรัสในยามค่ําคืนเนี่ยก็เป็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮฺซุบฮฺานาหัวตาลาทําการสอนให้กับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮอะลัยฮิวะัลลัมได้รับทราบได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นความเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮซุบฮานะฮวะตาล า, า, ลาอาลาัลลอซุบฮานะฮวะตาลาได้กล่าวถึงนะครับลักษณะที่พระองค์ได้ทรงสร้างทั้งดวงดาวแล้วก็ชั้นฟ้าและอาลาัลลอซุนตะหลัก็สร้าง บรรดามวมาลมลาอิ ก, ก้าเพื่อที่จะให้มาปกปักรักษาดูแลมนุษย์ทุกคนนะครับที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัตะละก็ได้ทรงเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาแล้วก็บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาได้พินิจพิจารณาในการที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่แหละครับไม่ต้องไปดูใครอื่นไกลเลยดูตัวของเรานี่แหละครับซึ่งเป็นมนุษ ย, นย์เราถูกบังเกิดมาอย่างไรนะครับแล้วก็เรานะครับ ถูกบังเกิดมาอย่างไรและเรานะครับโตมาอย่างไรแล้วอยู่กับสิ่งใดจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเราพูดคุยกันมาจนกระทั่งถึงในองค์การที่ อ, องค์การที่5นะครับแล้วก็เราก็พูดกันมาในองค์การที่ห้าวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับในส่วนขององค์การที่6ซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องมีอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือพี่น้องมีอัลกุรอานอยู่ในมือเปิดไปในซุรอตตอริกนะครับซุรอตตอริกแล้วก็เปิดไปดู องค์การที่ อ, องค์การที่6นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์สุลตละกล่าวต่อเนื่องหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเชิญชวนให้พวกเราได้ใช้สติปัญญาพินิษฐ์พิจารณาเรื่องราวต่างๆในการที่เราถูกบังเกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับในองค์การที่6ครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อนะครับองค์การที่6องค์การที่7และองค์การที่8ถูกอธิบายเอาไว้ร่วมกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอูซูบิลละฮิมินอชัยตันอูร์รจม คุลิกะมิ่มมาอินดาฟิกะคพี่น้องดูนะครับคำว่าคุลิกะคลกตรงนี้พี่น้องครับเราสุบฮะโนะตะละ่าว่าคำว่าคูลิกะนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผมได้เคยกล่าวกับท่านพี่น้องนะครับคว่าคลกนี่เป็นคำที่มาจากคำกริยาในอดีตการเป็นเฟียนะครับที่แปลว่าสร้าง แต่พอเป็นคูลิก่เนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนสระนิดเดียวเท่านั้นแหละฟียร์อุลมาดินมับนีลินมจหูลเลยเป็นคํากริยาในอดีตที่ถูกตัดตัดฟาอสในประโยคนี้ออกไปนะครับแปลว่าถูกสร้างไม่ได้แปลว่าสร้างอย่างเดียวแล้วแปลว่าถูกสร้างนะครับหมายถึงอะไรล่ะ เราสมเด็จพะเ้าคุณพิจารณาให้มนุษย์เนี่ยพิษฐ์พิจารณาเลยว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรและพระองค์ก็เลยทรงกล่าวต่อเลยคูล่ ก, ก็มนุษย์นั้นถูกสร้างมินนะฮารฟุจารินนะครับถูกสร้างมาจากนะมาอินคําว่ามาอินเป็นอิสมุนมาจรุตอ่านเป็นมาอินนะครับอ่านเป็นมาอิน ดาฟิกินมอินดาฟิกินเป็นสีฟะามาจะรูร้หรอมาอธิบายมาขยายความคำว่ามาอินนะครับตรงนี้ประโยคนี้อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัตะลาบอกว่าอย่างไรคูเลาะกอมินมาอินดาฟิกาแปลว่าเขาถูกบังเกิดมาจากมาแปลว่าน้ำดาฟิกแปลว่าน้ำที่พวยพุ่ง น้ำที่พุ่งออกมานะครับเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับมนุษย์ล่ะแน่นอนแหะครับนักกุชาการก็อธิบายอายอันกุรานองค์การนี้เอาไว้ชัดเจนพี่น้องครับนะว่ากอลัสุบฮานะฮุอาต้าลานะครับว่าอันนะฮุกอลักเซาจหญ่นิอัลตะกะระวันอุนซาและแท้ที่จริงพระองค์ท่านนะอัลลอฮุซุบฮานะฮุวาต้าลานั้นได้ทรงสร้างคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเซาใหญ่นิอัลตะกะรที่เป็นเพศชายวันอุนซาแล้วก็เป็นเพศหญิง นะครับมินุตฟาตินอีดตุมนามาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮฺหาณหัวและสร้างมานะครับบอกว่ายังไงพี่น้องไปดูความหมายนะครับที่นักวิชาการก็หยิบยกมาในในสุร้นี้นะครับในสุระที่เร า, าพูดถึงนะครับอยู่ในสุร้อนนจมีนะครับในสุร้อนนจมีซึ่งนักวิชาการหยิบยกในสุร์อนนจมีตรงนี้เพื่อที่จะมาอธิบายนะครับในสุระอ์ สุรโที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือสุระอัตตอริกนะครับในสุระอันนาเจมีพี่น้องครับนักวุชาการยิบยกมานนะเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้แล้วก็ให้ได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่อัลลอสุบหฮานะฮูัวตละลาได้ทรงประทานนะครับให้กับนมนุษยนะ์ให้มนุษย์เนี่ยบังเกิดมาจากสิ่งที่เป็นมาอินดาฟิยเกาะนะครับมาอิน ดาฟิกเกะตรงนี้นะครับนักวิชาการก็หยิบยกในอายะอันกุราดองค์การนี้นะครับสร้างอัลลอฮ์สุบตละสร้างมนุษย์มาจากบุคคลที่เป็นผู้ชายนะครับจากบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคู่ครองกันเนี่ยนะครับนะแล้วก็สร้างมาจากอะไรละครับสร้างมาจากมินนุตฟะตินอิดาตุมนาเป็นอาซุจินะครับมินนุตฟะนุตฟะตรงนี้แปลว่าน้ำอาซุจิ นะครับซึ่งนำบอสุจิตรงนี้เนี่ยที่อลัลลอสซุบฮานะฮวะตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์กานี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าจากาผู้หญิงผู้ชายจากสามีภรรยาอาลัลลอสซุบฮานะฮวะตาลาก็บังเกิดมนุษย์โดยผ่านทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผ่านสามีภรรยาคู่หนึ่ง นะครับที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงกับผู้ชายตรงนี้บ่งบอกอะไรให้กับเราพี่น้องครับบ่งบอกให้เราได้รู้และเข้าใจว่าการสืบพันธุ์หรือว่าการสืบสันดาน นะครับตามภาษากฎหมายเลยนะพี่น้องครับอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งตึงต่างแต่อย่างใดแต่กําลังจะบอกให้กับต่านพี่น้องได้รู้ว่าการที่เรานั้นจะสืบพนันการที่เรานั้นมีคุครองนั้นจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตละลาด้วยกับการาขยายเผ่าพันธุ์วงวานว่านเครือของนบีอาดัมอลเลสลามนะครับแล้วก็เป็นการวงบอกให้ได้รู้ว่านี่คือการวิธีการสรสร้างโดยผ่านนะครับผ่านมนุษย์ นะครับผ่านมนุษย์ที่เป็นหญิงเป็นชายก็คือสามีแล้วก็ภรรยาตรงนี้ตามหลักเกณฑ์นะครับตามหลักการของศาสนาล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาแบบผิดเาเรียกว่าไม่ได้มาแบบผิดแปลกแวกแนวแต่อย่างใดนะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บรรดา น, นักวิชาการเขาพยายามที่จะ อธิบายให้พวกเราได้รู้ว่าการที่อลัลลอฮซุบฮานะฮวตาลาสร้างนะครับผู้หญิงผู้ชายมาแล้วก็นะครับให้เป็นคู่ครองกันให้เป็นสามีภรรยากันจุดประสงค์อย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่อลัลลอฮซุบฮานะฮวตาตลาลต้องการอยากจะให้นะมนุษย์หรือว่าลูกหลานของอาดัม นะครับลูกหลานของนบีอาดัมทุกทุกคนเลยเนี่ยนะครับได้ทำการขยายเผ่าพันธุ์วงวานว่า น, านเครือของตัวเองนะครับให้ไปสู่นะครับสถานที่ต่างๆไปสู่ดินแดนแว่นแคว้นต่างๆแล้วก็เป็นกลุ่มเป็น ก, ก๊กนะครับเป็นเหล่า เป็นประชาชาติที่แตกต่างกันไปดังนั้นตรงนี้นะครับนักวิชาการก็ได้หยิบยกอายะอันกุรานนะครับว่าอันนหูวคอยและก็เจ้าใจนี้อัลละกรวัลอุนซาและแท้ที่จริงพระองค์อัลลอะฺ سبحانه นหัวตาลานั้นสร้าง อ่าภรรยาคู่หนึ่งเจ้าใจนี่จะแปลว่าคู่ครองก็ได้แปลว่าภรรยาก็ได้หมายถึงอะไรครับคนที่เป็นอะไรครับอัศการอเป็นเพศชายวันอุนซาเป็นเพศหญิงดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละจึงเป็นหลักการหนึ่งที่รองรับให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าตามปกติวิสัยของธรรมชาติที่อลัลลอสุบฮานะฮหัวตาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบระหว่างหญิงชาย ชายกับชายไม่ได้หญิงกับหญิงไม่ได้เพราะมันจะเป็นการตัดตอนเผ่าพันธุ์วงวานของบารีอาดัมนะครับหรือว่าลูกหลานของท่านนบีอาดัมคือประชาชาติอย่างพวกเรานั่นเองอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวต่อนะครับนะักวิชาการหยิบยกสององค์การนะครับในซุรออันนจามีตั้งแต่องค์การที่สี่สิบห้าสี่สิบหกมาอธิบายในส่วนของนะครับองค์การที่หกนะซุรออัตตอริกนะครับมิ น, นุดฟะตินอีซาตุมนามิ น, นุดฟะตินตรงนี้พี่น้องครับ นะคำว่ามนุษย์ฟอตินก็คือจากอสุจินะครับอิซาตุมนาเมื่อมันหลั่งออกมานะครับเมื่อมันหลั่งออกมาตรงนี้นักกุจาการหยิบยกอายันกุรณนสององค์การนี่มาอธิบายองค์การที่บอกว่านะครับคูลิคอมินมาอินดาเฟียโกนะครับมนุษย์นั้นถูกสร้างมาจากน้ำนะครับน้ำอะไรพี่น้องน้ำที่พวยพุ่งออกมานั่นเอง ก็คืออสุจินั่นแหละพูดง่ายๆนะครับตรงประเด็นไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับไม่ต้องมึนงงนะแล้วก็อัลลอสุซุบหฮานะฮัวตะละกล่าวแบบนี้นะครับยะนีอัลมานีนะครับนี่คือการอธิบายของนักวิชาการของท่านอิบนิกาซีด ร, รหิมาฮุลลาบอกก็คืออสุจินั่นแหละยะนีอัลมานนะียะคครจนะูดัฟกันมินระจุลิ ว่ามินัลมาร์ตีเขาบอกว่าน้ําอสุจินี่แหละที่มันพวยพุ่งออกมาจากคนที่เป็นเพศชายและคนที่เป็นเพศหญิงนะครับวายตะวัละดูมินหูมาอัลวะละดูบีอิดนินละแล้วก็นะครับมาผสมกันทั้งสองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมาผสมปนเปกันจากทั้งสองนั้นก็กลายเป็นเด็กด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบะฮิแนห์วะตะอัลานะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบะฮิแนห์วะตะละกล่าวต่อ ในองค์การที่7นะครับบอกว่าอย่างไงพี่น้องครับ y a k u u j u mim n i u l b h ร t b e y a k u r j u m i บ u l b ว a t b บเอาไปดูนะครับ yakuruju y a k u r u j เป็นคำกริยานะครับ fiyalamok f i y เป็นคำกริยาที่เป็นปัจจุบันการ y a k u j u นะครับขอรอจา y a k u j u แปลว่าออกนะนะครับมิน นะฮารฟุจารินเป็นคําที่ทําให้คํานามหลังจากมันอ่านเป็นสาละอีใบนี่เป็นอิสมุนมาจรูษนะครับอสุลบีอิสมุนมาจรุษเช่นเดียวกันนะครับวัตตอรออีบีนะครับเ ว, ว, ว้ามีคําว่าเว้านะครับเป็นเวาวเชื่อมซึ่งาวาวอาัติฟาตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้หรู้ว่าต้องอ่านสระเดียวกับคําก่อนหน้ามันนะครับก็คือนะครับว้าอาัาติฟาเป็นอิสมุนมาจารุษเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อกันประโยคนี้ทั้งประโยคเลยยาโครูจูมิมไบนิสุลบี ตรออบะมันออกมานะครับมันออกมาอะไรออกมาล่ะก็พูดถึงอสุจินั่นแหละครับพูดถึงอสุจินั่นแหละครับพี่น้องดูในความมหัศจรรย์ของอันกุรอานนะยาโครู้อยูนะครับแปลว่ามันออกมาอสุจิเนี่ยมันออกมามินไบนิซุลบีอัลลอฮฺอักบารกาบีรอนะครับมันออกมาจากนะมีมินไบในระหว่างอซุลบีแปลว่ากระดูกสันหลัง อสุลบีนะครับรัอลอุบุนตรงนี้แปลว่าออกมาจากกระดูกสันหลังของคนที่เป็นเพศชายวัตรอีบีอัลลอหุอกบดรกบีรอแล้วก็ส่วนอสุจิของผู้หญิงนั้นมันออกมาจากทางกระดูกหน้าอกของเพศหญิงละฮลวะลากุวตะตอิลลาบิลลาสุดยอดนะครับ ผมไม่เคยเรียนแพทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนสูตินารีแพทย์แต่อย่างใดเลยแต่เราพอมาอ่านอันกุรอานพอเรามาศึกษาสิ่งที่อยู่ในอันกุรานพิน้องมันคนลุกนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่พูดผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่มนุษย์ครับเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นเจ้าของมนุษย์ดังนั้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นความสําคัญที่พวกเราทุกๆคนนั้นจึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับนะักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรานนะครับนะ นะครับอธิบายในยันการนี <c oughs> ้อายุยคูรจฮลมาอูอัลลีกลกัลลอฮมินอัลอินซานะมินบยนิสุลบิวอดามิซอดรนะครับนักวิชาการที่อธิบายประโยคนี้ท่านในทับซีดของอิบเริตอัตบารีนะครับในทับซีดของอันกุรตูบีแล้วก็ในทับซีดของอิบเนกซีดอิหมมอัษดีก็เช่นเดียวกันนะครับเชคอิบนนอุัยมีนก็ได้อธิบายเอาไว้ในทับซีดของท่านในยุสอัลมาอีกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอย่างไงครับไอ้นะครับ ก็คือยาโคบูฮารันมะน้ำอันนี้ที่เรียกว่าอัลมาน่น้าอสุจินั้นนะครับอัลลอฮฺเตาะกัละกะลาหูเป็นน้าที่ซึ่งอัลลอฮฺซุบะฮานาะฮฺตะลาสร้างมนุษย์ออกมาจากน้ำนี่แหละนะครับมินไบนิซุลบินะครับจากกระดูกสันหลังระหว่างกระดูกสันหลังซุลบแปลว่ากระดูกสันหลังของผู้ชายนะครับวาอิดาบิซอดรีและกระดูกทางหน้าอกนะครับของอผู้หญิง ลาฮาลาวะลากูวะตออินลาบิลลานี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆท่านอิมนิกกซิดก็ได้อธิบายยะนี้สุลบรรอจุลิวัตรออิบุลมราะนะครับวตรออิบุลมราะนะครับอสุลบาก็คือกระดูกสันหลังของผู้ชายและนะครับอัตรออิบเนี่ยก็คือกระดูกนะครับของสภาพสตรีนะครับทางด้านหน้าอกวะฮัวซ ah uh ah ัดรุฮาซึ่งอยู่ในหน้าอกของนางนะครับ นี่คือความยิ่งใหญ่แบบสุดๆเลยที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอันกุรานมาดูองค์การต่อมานะครับในองค์การที่นะครับองค์การที่เราต่อเนื่องกันไปเลยนะครับองค์การที่แดอัลลอสุบหฮานะฮัว่ลอะกลกาว่าอย่างไงอินนหูอัลลร์จีฮิละกอดิรนะครับผมอ่านยาวนิดนึงนะเพราะวา่าสำเนียงมันจะเป็นแบบนี้นะครับอินนหูอัลลรจฮลกอดิร แปลว่าอะไอินนาหูอินนาหูฮารฟุนัสบินะครับเป็นคําที่ทําให้คํานามหลังจากมันเป็นสลัฟัตฮะวัลฮะมีฮาอุดดมิทหรือว่าฮาอูห uh ูตรงนี้นะครับเป็นฮาที่ถูกติดมาเพราะว่ามันเป็นสรรพนามที่ถูกติดมาอยู่ในสถานะของนัสั์หรือว่าอ่านเป็นสลักฟัตฮะอิสมุตมันมันคืออิสมุอันนามันคือคํานามของ อ, อินนานะครับ อ, อ, อิสมูอันนานะครับอิสมูอินนาที่อยู่ข้างหน้ามันนั่นเองอินนหูนะครับเานี้ต่อมาอัลานะครับฮรฟูจรินรจยฮอิสมุลมาจรูตวัลฮมีฮาติดอีกแล้วมีฮาดอมิดนะครับติดอีกแล้วมุตซิลุฟีมาฮัลจรินบินอิดอฟะนะครับนักวิชาการอธิบายบอกว่าเนี่ยคือฮาดอมิดฮาสะพนามที่ถูกนามาติดคำคำว่ารจยอุนนะครับก็ เป็นการพลาดผิงนะครับแล้วก็คําต่อมาก็คือแล้วก็ดิรุลรามรามตัวนี้เป็นลามเตอรกิดอิสมุนมาลฟูออนนะครับแล้วก็ดิรุลทําให้คํานามนะครับที่ติดหลังจากมันอ่านเป็นสระดมะนะครับลามตัวนี้เรียกว่าลามเตอรกิดอ้าพี่น้องไปดูคําอธิบายของนักวิชาการครับที่นักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาต่อเนื่องนะครับ นะบอกว่ายัางไงยาโครุจูมิมไบนิสุลบิวตรอิบนะครับแล้วก็คำต่อมาก็คือประโยคที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮัาลาบอกว่าอย่างไรนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาบอกว่าอินเนห์อัลลารจัฮีลกดิรนะอินอลารจฮีลกดิรนะครั บ, ต, บ, นะนะรบตรงนี้นะครับอลัลลุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวเอาไว้แท้ที่จริงนะพระองค์ได้ทรง นะสามารถคำว่าอินนาหูอลารอจีฮีละกอดีแปลตรงนี้ก่อนคำว่าละกอดีกนะครับในคำหลังก็คือแท้ที่จริงพระองค์นั้นทรงสามารถอย่างแน่นอนอลารเจียฮีที่จะทรงทำให้คนคนนั้นหรือมนุษย์คนนั้นกลับฟื้นคืนชีพมาอีกนะราจียฮีเราจะอ่นแปลว่ากลับคืนฟื้นคืนนะครับกลับไป ถ้าเราเรียนในวิชาฟิกก็จะมีคำว่าตอลากร์รเจอีคำเดียวกันก็คือสามารถที่จะหวนกลับไปคืนดีกันได้แต่ตรงนี้พูดถึงการฟื้นคืนชีพในวันขยยามอันนออินนะฮัอ้ลโรเจอีฮีละกอเจรพระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตะลาแท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพทรงสามารถอย่างแน่นอนในการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยหลังจากที่อะไรตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกได้ เป็นเรื่องง่ายสําหรับอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตัลลานะครับดังนั้นนะครับอินน้าฮูอัลารอจัยฮีแล้วก็เดียนะครับซึ่งนักวิชาการมุฟัสิรินมีทัศนะอยู่ทสองทัศนะด้วยกันนะครับทัศนะที่หนึ่งท่านอิบเนกาติสรอฮิมาฮุลรอได้อธิบายเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าอัลารอจัยฮีฮัดลมาอนะครับอัดาฟิกีอีลา อ่าอีล่านะครับมุกัรริฮีอัลลอฮฺที่ขาราจะมินหุละก๊าดีรุนอัลลาดะลิกก็คือการที่อัลลอฮุ س ب า ا ن ه และ تعالى นะนั้นได้ทําน้ําที่ให้มันพวยพุ่งออกมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้มันเนี่ยออกมาได้นะครับด้วยกับความเดชานุภาพด้วยกับความสามารถของพระองค์อลัลลอฮฺในเรื่องดังกล่าวอันนี้ก็เป็นคําของท่านามูจาฮิตนะครับท่านเอกริม่าแล้วก็นักวิชาการมูฟัสซีรินท่านอื่นๆในยุคซาลฟสุสศอและ นะครับแล้วก็ในทศนะที่สองที่อธิบายเอาไว้นั้นก็คือว่าอินนหัวละรอจาอฮาดาอัลอินซานินอัลมาฮโลกิมินมาอินดาฟิกก็คือการที่อัลลอสซุบฮานะหัวตาลานั้นทำให้มนุษย์เนี่ยกลับมาเป็นสิ่งถูกสร้างจากน้ำที่พวยพุ่งนะออกมานะครับนันก็คือสิ่งหนึ่งที่นะครับ น, นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นั่นก็คืออิอาดาตูฮูวบะบาสะตูฮูวบะบาสะตูฮูอิละแดริลอะคิรอลละกอดีรุนก็คือการที่อัลลอฮฺสุบะฮานตะลานั้นทําให้เขาหวนกลับมาฟื้นคืนชีพกลับมาในโลกหน้านะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานะฮัวตาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละ พอเราอ่านมาถึงประโยคนี้ก็ทําให้เรานั้นรู้สึกนะครับยอมแล้วก็สิโรราบกับสิ่งที่เป็นการสรรสร้างแล้วก็เดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวะตาอัลานะครับดังนั้นตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาก็สรุปเลยนะครับอายูอินนัลลอฮฺลกาลิกุกอดิรุนอัลละอรจัอินอินซาเนฮยันบะดะมาติฮีนี่เป็นคําอธิบายของท่าน อ, าอิบนุจาริดอัตตาบรีนะครับแล้วก็ในตับซิดอัลวาซีดนะครับแล้วก็นอิบนุลคอยิมนะครับแล้วก็ใน อิหมัดอสซาดีนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆท่านนะครับที่ได้อธิบายในองค์การนี้เอาไว้ก็คือแท้ที่จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลานั้นพระองค์ทรงเดชานุภาพในการที่จะฟื้นคืนชีพมนุษย์นะครับจากที่เขาเสียจากที่เขามีชีวิตหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะครับอัลลอฮฺทำได้อัลลอฮฺสามารถนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลานะครับดังนั้นนะครับทั้ง3องค์การนี้พี่น้องครับนักวิชาการก็อธิบายเอาไว้อย่างานะครับ มากมายพอสมควรนะครับแต่ว่าผมนั้นหยิบยกและก็สรุปมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจกันง่ายๆความจริงแล้วมีคําอธิบายที่รายละเอียดเยอะมากกว่าที่ผมพูดด้วยซ้าไปแต่ว่า น, นะครับเอาแค่เฉพาะสังเขปเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าวิธีการที่บรรดา น, นักวิชาการฟัซิรินนั้นทําการอถาธิบายคําแต่ละคําอายะแต่ละอายะการให้สระแต่ละสระนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยคร่าวๆดังนั้นพี่น้องครับเวลาก็หมดลงอีกแล้ว นะครับสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งคือการที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วใครล่ะที่จะให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นก็คือเจ้าของความรู้ครับอลัลลอฮฺสุบฮานะหัวตละลาพระองค์เท่านั้นที่จะให้ความรู้และพระองค์ก็เป็นเจ้าของความรู้วิชาการทั้งหมดบนสากลจักรวาลบนโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะรอบรู้มากไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลไลแล้วครับเวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับอัลลอฮฺหัวลียุตเตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอัลกุมวาระหมะตุลลอห์วะบาระกาตที่จุบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์